คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ตามลาดับข้อข้อต่อไปข้อ 2. ทุกขาตาในหลักทุกขาตามีเกณฑ์สำคัญสำหรับกำหนดคุณค่าทางจริยธรรมอยู่สองอย่างคือข้อกในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆที่เป็นส่วนย่อยๆลงไปและองค์ประกอบเหล่านั้นแต่และอย่างล้วนไม่เที่ยง กำลังตกอยู่ในอาการเกิดขึ้นแปรไปและสลายตัวตามหลักอนิจจตาอยู่ด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งที่เป็นหน่วยรวมนั้นจึงเท่ากับเป็นที่รวมของความโปรวนแปรและความขัดแย้งต่างๆและแฝงเอาภาวะที่พร้อมจะแตกแยกและเสื่อมสลายเข้าไว้ในตัวด้วยอย่างเต็มที่เมื่อเป็นเช่นนี้การที่จะควบคุมองค์ประกอบต่างๆที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่นั้นให้คุมรูปเป็นหน่วยรวมอยู่ตามรูปแบบที่ประสงค์ก็ดี การที่จะควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ดาเนินไปในทิศทางที่ต้องการก็ดีจะต้องใช้พลังงานและวิธีการจัดระเบียบเข้ามาร่วมเป็นองค์ประกอบช่วยเป็นเหตุปัจจัยเพิ่มขึ้นอีกด้วยยิ่งองค์ประกอบส่วนย่อยๆต่างๆนั้นมีมากและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นเท่าใดก็ต้องใช้พลังงานมากขึ้นและมีการจัดระเบียบที่ละเอียดระกุมยิ่งขึ้นเท่านั้นการปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายเพื่อให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้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 ให้สิ่งเหล่านั้นบีบคั้นซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดความทุกข์แก่ตนเองแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดผลดีอย่างใดๆขึ้นมาเกณฑ์สำคัญสำหรับกำหนดคุณค่าทางจริยธรรมในหลักทุกตาอย่างที่สองคือข้อขอตามหลักกิจในอริยสัจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อทุก์ได้แก่ปริญญาคือการกาหนดรูหรือทาความเข้าใจหมายความว่า เรื่องทุกนี้บุคคลมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียงแค่กําหนดรู้หรือทําความเข้าใจเท่านั้นการปฏิบัติต่อทุกขโดยถูกต้องตามหลักกิจในอริยสัจนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งแต่เป็นเรื่องที่มักถูกมองข้ามไปพุทธธรรมสอนให้ปฏิบัติต่อทุกข์ด้วยการศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้รู้จักทุกคือให้รู้จักปัญหาของตนเองมิใช่เพื่อเป็นทุกข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 ไม่ได้หมายความว่าเป็นการสร้างปัญหาหรือหาปัญหามาใส่ตนแต่เป็นวิธีการที่จะทำปัญหาให้หมดไปต่างหากผู้ที่ไม่ทราบหลักกิจในอริยสัจอาจปฏิบัติต่อทุกอย่างผิดพลาดไร้จุดหมายเขวออกนอกทางและอาจกลายเป็นการเพิ่มทุกข์แก่ตนด้วยการมองโลกในแง่ร้ายไปก็ได้